คนที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพจำนวนมากเนี่ยมักจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนะก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านแบบจริงจังมากอาจจะเรียกว่าเป็นนอนหนังสือเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรนักวิทยาศาสตร์หรือหมอรวมทั้งนักธุรกิจด้วยเนี่ยหลายคนเลยนะจะมีความรู้ที่กว้างขวางมากอันนี้สังเกตได้จากงานเขียนหรือว่าคำบรรยายของเขา คนเหล่านี้เนี่ยแม้ว่างานจะเยอะนะภารกิจจะชุกนะแต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญนะกับการอ่านหนังสือมากอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนะมีเงินเป็นคุนยหมื่นล้านะนะหรือหลายหมื่นล้านบาทเขารวยจากการ ลงทุนนะหรือว่าเล่นหุ้นรวมทั้งลงทุนในกิจการต่างๆก็ดูเหมือนว่าชีวิตเขาจะหาเวลาได้จากนะแต่เพราว่าเขาเนี่ยให้เวลาการอ่านหนังสือนี่วันละหาหกชั่วโมงทีเดียว นักธุรกิจที่มีงานเยอะนะแต่ว่าให้เวลากับการอ่านหนังสือขนาดนี้นี้ก็ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะห้ชั่วโมงต่อวันเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คือเวลาที่ใช้ไปกับการดูโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเล่นเกมซึ่งมันก็มักจะไม่ค่อยประถืงืองปัญญาเท่าไหร่ แต่กลับทำให้อารมณ์หม่นหมองแล้วก็สมองทืบตันด้วยซ้ำอเบลูเกตเนี่ยเขาอ่านหนังสือเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยห้เล่มไม่ใช่นิยายแต่ว่าเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวมาปีห้าสเล่มก็หมายความว่าอาทิตย์ละเล่ม ถ้ามีนักธุรกิจระดับพันล้านคุณแกบอกว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือเพราะอะไรนะเพราะมันช่วยอ่ะเปิดเปิดความคิดนะทำให้เห็นโลกกว้างคนเรานี่เขาไม่ได้อ่านแต่หนังสือที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเขาเช่นนักธุรกิจก็ไม่ได้อ่านแต่เรื่องของอเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเรื่องการเล่นหุ้นแต่พขอ่านหลากหลายมากวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์บางทีก็จะรวมถึงปรัชญาหรือการเมือง ก็จะว่าไปแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือที่หลากหลายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เกิดความคิดที่ลุ่มลึกหรือการมองโลกที่กว้างขวางที่ช่วยในการดำเนินชีวิตแต่บอกอีกครั้งเนี่ยมันก็มาช่วยเสริมนะให้การประกอบอาชีพของเขาด้วย ทั้งๆ ท, ที่ดูมันจะไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย น, นะนักธุรกิจแต่ว่าได้ความคิดจากหนังสือประวัติศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์อย่างสตีฟจ j อบเนี่ยนะอย่างที่เราทราบนะเขาก็เป็นคนึ่คนที่ประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการผลิตเทคโนโ ล, โลยีที่ล้ำยุกนะตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัว Apple นะเมื่อ40กว่าปีก่อนจึงมาถึง iPod, iPad, iPhone นแต่เขาบอกว่าเขาได้ไอเดี ย, ยมาจากเรื่องอื่นๆนะที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่อย่างเขาเล่าว่าในตอนที่เขาเรียนหมาเฉลยเนี่ยแล้วเขาก็ลาออกเพราะค่าเราเดมัน แ, นแพง พ่อแม่ยากจนไม่มีเงินส่งเสียเขาก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม่แต่เขาเลือกไปเรียนวิชาหนึ่งนะไปเรียนฟรีนะไปนั่งอยู่ในห้องเนี่ยวิชาเลยนะไม่ใช่วิชาเกี่ยวกับปิธีศาสตร์เทคโนโลยี Technology, หรือวิศวะนะแต่เป็นวิชาคัดตวัวอักษรวิชาคัดตวัวอักษรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมัน มันมีผลเนี่ยต่อไอการทำคอมพิวเตอร์ของเขาที่ช่วยที่ช่ว macintosh macintosh นี่มันเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบการพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยปีก่อนเนี่ยสำนับพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมี macintosh เนี่ยเพราะว่ามัน อ, ออกแบบ ทำอาร์ตเวิร์หนังสือนี่ได้สวยโดยเพราะตวัวอักษรเขาบอกเขาก็ได้ไอเดียจากไอการวิชาคัดตัวอักษรเนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบให้กับคอมพิวเตอร์ของเขาทำให้ได้ตัวอักษรที่สวยงามนะแล้วก็ฟอนนี่ก็ เ, เรียกว่าฟอนนะคือชนิดหรือประเภทตวัวอักษรนี่มันก็ มีจังหวะจากคนที่สวยเนีทำให้คนเนี่ยที่จะทำหนังสือเนี่ยก็ต้องมาใช้เครื่องของเขาซึ่งที่จริงมันคือว่าโปรเซสเซอร์นั่นเองนั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนเราเนี่ค่อยให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอ่านนี่มันก็เป็นแค่ส่วนของชีวิตเท่านั้นนะ คนเราจะอ่านหนังสืออย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องทำด้วยทำเนี่ยก็มีความหมายตั้งแต่ว่าการลงมือทำคือทำงานประกอบอาชีพหรือว่าทำความเท่เป็นความจริงหรือว่าการฝึกทักษะนะในการ ทำงานต่างๆจะเป็นวิศวกรจะเป็นหมอจะเป็นสถาปนิกจะเป็นนักธุรกิจมันก็ต้องรู้จักทำจะเป็นทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคนนต้องอาศัยทักษะต้องอาศัยการลงมือก็อรวมถึงทำอย่างอื่นด้วยนะที่มันจาเป็นสรัดชีวิตแม้จะไม่เกี่ยวกับวิชาชีพนะเช่นการออกกาลังกายนะ น, นี่มันก็เป็นการทำเหมือนกันนะ การปลูกต้นไม้พวกนี้มันมันดีต่อกายดีต่อใจนะนทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือว่าอ่านหนังสือตะบีตะบันแต่ไม่มีเวลาที่จะนะออกกาลังกายไม่มีเวลาที่จะนะทำงานดีเรกปลูกต้นไม้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติออกไปเดินเนี่ย มันก็แย่นะการทำนี่ก็สำคัญแต่ว่าทำที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่การทำเพื่อประกอบอาชีพหรือการทำให้มีสุขภาพดีอย่างเดียวนะชีวิตของเราคนเราเนี่ยมันต้องมีมิติอื่นด้วย คนเราเนี่ยมันจะต้องมี3มิตินะคือชนะื่อเรียก H เนี่ยคือ head hand แล้วก็ heart นะ head นี่ก็คือหัวหัวนี่ก็เกิ ด, ดหมายถึงความคิดความอ่านก็ได้จากการฟังและการอ่าน hand นี่ก็หมายถึงทักษะนะซึ่งทีจริงมันก็หมายถึงเท้าด้วยนะ เช่นการออกกำลังกายนี่มันต้องใช้เท้าหรือว่าการใช้ทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆาเป็นนักดนตรีนะมันก็ต้องฝึกปือนะให้ใช้มือให้ใช้อุปกรณ์ดนตรีอย่างชำนิชำนาญนเป็นนักฟุตบอลนี่มันก็ต้องมีการฝึกทักษะไม่ใช่ว่า อ่านเกมออกอย่างเดียวไม่พอนะมันก็ต้องมีทักษะในการที่จะทำให้เอาชนะคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้แต่อีกตัวนึงก็สำคัญนะคื อ, Heart, คอหัวใจก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของอารมณ์นะซึ่งตรงนี้แหละที่มันอยู่ในในส่วนที่เรานะ ใส่ใจกันคือเราเรียกว่าธรรมะนะการรู้เรื่องทางโลกนะจากการอ่านหนังสือหรือว่าการมีสุขภาพดีนะเพราะออกกำลังกายอันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอคนะนเราก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง เพื่อว่าในยามที่เจอปัญหาเจอวิกฤตในชีวิตเจอความผิดหวังใจก็สามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่เสียศูนย์นะหรือว่าไม่ถลำมเข้าไปในความทุกข์กรัดกลุ้มคนเก่งจำนวะนไม่น้อยเนี่ย แม้จะประสบความเสเร็จในวิชาชีพในแวดวงของตัวเป็นนักธุรกิจนะหมอวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้เนี่ยนะถากว่าไม่ได้ฝึกจิตใจเอาไว้เลย นะพอเจอความ่ันปวนไ ป, น ป, นปนในชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีขึ้นก็มีลงนะมีความสำเร็จก็มีความล้มเหลวรวมทั้งพบอะไรก็ต้องพรากจากสิ่งนั้นเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะถ้าว่าไม่ฝึกจิตเอาไว้นะมันก็ ไอ้ที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นความรู้ชื่อเสียงเงินทองมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้แหละนะที่มันเป็นเรื่องของธรรมะโดยตรงเลยครนี้พอพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยนะมันก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันต้องมีการทำเนะือดยเพราะธรรมะไม่ว่าจะเป็น สัจธรรมหรือว่าคุณธรรมหรือว่าจริยธรรมมุ่เนี่ยมันแค่มันคิดเองไม่ได้หรือฟังอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีการทำต้องมีการฝึกข <c oughs> ึ้นชื่วการฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยนะมันต้องอาศัยการทำนะโดยเพพาะปุตุชนจะอาศัยการฟังอย่างเดียวไม่พอนะ คนที่ที่มีสติปัญญาหลายท่านเนี่ยเพียงแค่ฟังนี่ก็เกิดปัญญาเห็นธรรมอย่างอุปติสสะนะได้ฟังคำของปาสชิที่สรุปยอคคำสองพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าทาใดเกิดใ่เหตุแต่ฐาคกกล่าวถึงเหตุและแห่งธรรมและการดับแห่งธรรมนั้นเท่านี้แหละนะอุปติสสะก็ พอรู้ธรรมเป็นพระโสดาบันได้แต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องสายการฝึกนะซึ่งฝึกนี้เราเรียกว่าภาวนาเป็นการปฏิบัติแต่อย่าว่าแต่การที่จะเปิดใจเห็นสัจธรรมเลยนะแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นจริยธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยเอาข้า ง, ง่ายๆนี่ระดับศี่เนี่ยนะ มันก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยการที่จะรักษาสีนห้าให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าพอเจอสิ่งรอดเราย้ายวนนะมันก็เผลอนะไม่ว่าจะเป็นการละเมิดนะสี่ข้อ2ข้อสหรือข้อ5และยังไ่เจอสิ่งที่ยั่วยุด้วยเนี่ย มันก็ จ, จะถึงขั้นละเมืดอสิ่งข้อที่1เพราะว่าค่าสัตว์ตัดช่วยด้วยความโกรธหรือบางทีก็ทำไปได้วยความโลภก็เยอะและขึ้นเชื่อว่าการทำเนี่ยนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำเนี่ยดวยเพราะการทำที่สอดคล้องกับธรรมะเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นคือ ฉันทะนะฉันทะนี่คือความอยากความปรารถนาแต่คนละอย่างกับตัณหานะตัณหานี่มันอยากได้อยากเสพแต่แต่ฉันทะนี่คือความอยากทำบุญเจ้าให้ความสำคัญกับฉันทะมากนะพรงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายนะี่มีฉันทะเป็นมูล ต้งตัดสั้นๆเท่านีนะธรรมะทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลทำไมถึงว่าฉันทะเป็นมูลเพราะว่าธรรมะเนี่ยนะมันจะงอกงามในใจได้มันก็ต้องมีการทำต้องมีการปฏิบัติและการปฏิบัติมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะและการที่จะทำอย่างต่อเนื่องได้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ ้คนเราถ้าไม่มีฉันทะไม่มีความอยากทำนะมันจะทำสิ่งดีๆก็ไม่ต่อเนื่องที่จริงเนี่ยฉันทะเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงความอยากทำเฉยๆนะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือความปรารถนาความอยากทำให้บุคคล นะสิ่งของหรืองานการเข้าถึงสภาวะที่ดีงามที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องมีความปรารถนาที่จะเห็นนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความสมบูรณ์นะ มันมีความดีงามหรือเข้าถึงภาวะดีงามพออยากเห็นความดีงามเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆกับผู้คนกับสิ่งของกับงานการมันก็ทำให้เกิดความอยากทำให้ความดีงามนั้นได้เกิดขึ้นกับคนสิ่งของงานการอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะ ตันหานี่นะมันเป็นเรื่องของความอยากให้ตัวเองเนี่ยนะมีนั่นมีนี่นะเป็นความอยากเสพสนองกิเลสแต่ฉันทะเนี่ยมันมีความปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงภาวะที่ดีงามและถ้าว่ามีฉันทาแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความอยากจะทำสิ่งดีงามขึ้น อย่างเช่นพรหมวิหารสีเนี่ยนะเราก็ทราบดีแล้วนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหรืองอกงามในใจเราได้เนี่ยมันต้องมีสันทะนะคือความอยากทำหรือหรือความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเนี่ยนะเขามีความสุขนี่เรียกเมตตาความปรารถนาอยากทําอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ก็คือการุณาความอยากทำอยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญยิ่งยขึ้นไปนิลโมติตาหรวนทั้งความอยากทำอยากให้คนอื่นเขาปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องไม่ละเมิดสิ่งที่เป็นธรรมเช่นรักลูกก็จริงแต่ก็ ไม่ไม่ส่งเสริมลูกให้ทําความชั่วด้วยเมตตากรุณาหรือรักเกินขอบ เ, เขตจนปล่อยให้ลูกทําในสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าวตามใจลูกอุเบกขามันจะเป็นตัวคอยกํากับเมตตากรุณาไม่ให้เกินเลยหรือเกินจากทําไปอันนี้ก็ต้องอาศัยฉันทะเหมือนกัน เมตตากรุณามุทิตาวเบขาเกิดขึ้นได้เพราะมีฉันทะเป็นมูลเช่นเดียวกันนะเวลาเราจะมาปฏิบัติเจริญสติเนี่ยสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีฉันทะเป็นมูลนะก็คือเกิดความอยากที่จะทำให้ มีสติรู้กายมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตมีสติรู้ในธรรมคนเราเนี่ยถ้าหกว่าใช้ตัณหาเป็นแรงจูงใจนะมันก็ปฏิบัติได้ไม่นานนะอย่างหลายคนเนี่ยนะมาปฏิบัติเพราะอยากจะได้ความสงบอยากได้ความสงบนะอันนี้มันก็ยังเป็นตัณหาอยู่นะ ถ้ามันเป็นความอยากได้แต่ถ้ามันเป็นชันทะเนี่ยคือความอยากจะทำนะให้เกิดภาวะ ด, ดีที่ดีงามแก่ตัวเราหรือแก่จิตใจของเรามันจะมีความสึกเบื่อมีความสึกเซ็งนะเวลาทำ แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ฉันท่านี่มันเป็นแรงจูงถ้าเราลอยให้ตัณหามันเป็นแรงจูงใจนะเราทําด้วยความเบือ่อทําด้วยความเสงถ้าเกิดว่าผลที่ปรารถนายังไม่เกิดขึ้นนะเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีเนะมื่อไหร่มันจะเห็นผลสักทีอันนี้คือความอยากได้แต่ถ้า เป็นฉันทะนะมันจะมีความเพียรมันจะมีความวิริยะและความเพียรเนี่ยมันไม่ไม่ต้องถูกกํากับด้วยเวลานะใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วต้องดูเวลานะว่าพบไปยังห้านาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้มีฉันทะนะเป็นหมนหรือเป็นแรงจูงใจเท่าไหร่ ก็มีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งนะแกเป็นโค้ชฟุตบอล น, นะสโมสรหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยวันหนึ่งก็มาเมืองไทยแล้วก็เพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเห็นว่าแกสนใจเรื่องการฝึกนักฟุตบอลก็เลยแนะนำให้ไปดูนะ ไปสังเกตการลงเรียนฝึกนัฟุตบอลระดับเยาวชนเพื่อนไม่ได้ไปนะเพื่อนคนไทยไม่ได้ไปแต่แนะนำชาวญี่ปุ่นนี้ให้ลองไปดูแกก็ไปดูมาวันหนึ่งนะเสร็จแล้วพอว่ารุ่งขึ้นเจอเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยก็ถามเป็นยังไงใช้บอลนั้นเนี่ยแกมีความสงสัยก็บอกว่าเนี่ยเออสงสัยนะเนี่ย คนไทยเนี่ยนะเวลาซ้อมบอนกันเนี่ยพอพอได้เวลาพักเนี่ยมีเสียงแล้วพอมีเสียงนกวีดพักเนี่ยทุกคนเนี่ยหยุดเล่นกันหมดเลยเหรอทุกคนนี่หยุดซ้อมกันหมดเลยเหรอเพราะแกไปเห็นเนี่ยเด็กไทยเนี่ยพอพอโคเนี่ยนะเป่านกวีดว่าได้เวลาพักทุกคนนี่ หยุดเล่นเลยหยุดซ้อมเลยแลค้คนญี่ปุ่นนี่ก็ถามว่าที่อื่นก็เป็นอย่างนี้อ่ะในเมืองไทยอะ่ะเพื่อนคนไทย ก, ก็าใช่สิมันประหลาดตรงไหนอะ่ะนะพถึงเวลาพักก็พักสิกบอกคนญี่ปุ่นกบอกเนี่ยเออแปลงนะก็มาชอบก็เล่นฟุตบอลที่พอาชอบไม่ใช่เหรอ มาฝึกฟุตบอลเพราะชอบไม่ใช่เลยถ้าชอบเนี่ยนะถึงแม้ว่าโค้ชจะบอกว่าได้เวลาพักแล้วเด็กๆ ก, ก็น่าจะเล่นต่อนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าโค้ชเนี่ยนะจะบอกว่าได้เวลาพักแล้วนะเป่าโนวิดน้อยคนนะที่จะพักก็ยังมีคนส่วนใหญ่เนี่ย ซอบบอลกันต่อไปพ่อละรพ่อเขาชอบพ่อเขาชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าได้เวลาพักก็ไม่พักเพราะมันสนุกนะแล้ข้สังเกตของช้ยปุ่นคนที่น่าสนใจนะที่จริงมันก็สะท้อนความจริงนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีฉันทะในสิ่งที่เราทำเนี่ย ถึงเวลาพักมันก็ไม่พักนะเพราะว่าเกิดความเพลินอย่างคนที่อ่านหนังสือเนี่ยถ้าเกิดเกิดความเพลินในการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีไม่สนใจเวลาและหลายคนเนี่ยที่เขาชอบทํางานนะเราจะเห็นเลยนะ ก็จะมาทำงานเนี่ยก่อนเวลาเวลาทำงาน8ป0โมงครึ่งหรือ9กาโมงเนี่ยหลายคนเลยนะที่มีฉันทะในการทำงานจะมาแต่เช้าก่อน8ป0โมงเาโมงแล้วถึงเวลาเลิกงานเนี่ยก็จะยังทำงานต่อเพราะอะไรเพราะมีฉันทะมันทำให้เกิดความเพียรและเกิดความเพลิน ให้การปฏิบัติทำกัหมือนกันนะถ้าคราเรามีสันทะเนี่ยมันจะเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเฉพา ะ, ะครึ่งชั่วโมงหรือตามเวลาที่กำหนดแล้วเพราะสันท์เนี่ยนะถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการปฏิบัติได้ต่อเนื่อง หลายคนมาเจริญสติเนี่ยจริงจริงเนี่ยแม้ว่าก็จะรู้สึกว่าสติยังไม่ก้าวหน้ายังไม่รู้ทันความคิดยังไม่รู้ทันอารมณ์เพราะว่ามาปฏิบัติได้ไม่กี่วันแต่ถ้าเขาเกิดได้ฉันทะในการปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่านะเป็นความสำเร็จแล้วนะเพราะว่าพอเ้ามีฉันทะแล้วเนี่ย ถึงเวลาที่เขากลับไปบ้านเขาก็ยังปฏิบัติต่อจริงจเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ออกจากวัดแล้วะนะอยู่บนรถเขาก็ปฏิบัตนะิเพราะว่าเกิดความยินดีที่ได้ทำมีความสุขที่ได้ทำขณะที่นั่งรถกลับบ้านก็อาจจะคลึงนิ้วอาจจะยกมือหรืออาจจะพลิกมือไปพลิกมือมานะไม่ใช่โล่ง อ, อกโล่ง อ, อกเออ ต่อไปนี้ฉันกลับบ้านแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วนี่ไม่ใช่แสดงว่าที่ทํามาที่วัดเนี่ยนะก่อนกลับบ้านเนี่ยมันทําด้วยตัณหาทําด้วยความจําใจแต่ถ้าว่าเรามีศันทธาเนี่ยนะออมันมีความอยากที่จะทำเองเพราะว่าทำแล้วมีความสุขตัณหาเนี่ยมันมีความสุขเมื่อเกิดผลนะเช่นทํางานเนี่ย มีความสุขเมื่อได้เงินเดือนแต่ว่าฉันท่านี่นะมันมีความสุขเมื่อได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าฉันทคือความปรารถนาที่จะทำเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทำก็มีความสุขแล้วเกิดความยินดีเกิดความพอใจและที่อยากทำก็เพราะว่าเห็นคุณค่านะของสิ่งดีงาม ปรารถนาจะให้ภาวะดีงามนั้นได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามกับงานการก็ตามกับสิ่งของก็ตามเวลาเห็นธรรมชาติเนี่ยถ้ามีฉันทานเนี่ยมันเกิดความกระตือร้อร้นที่อยากจะไปปลูกต้นไม้นะอยากจะดูแลต้นไม้ให้งามเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยมันได้มีความสมบูรณ์นะ แต่ถ้าว่ามองธรรมชาติเนี่ยด้วยตัณหานะมันอยากจะเด็ดดอกไม้นะมันอยากจะเด็ดดอกไม้เอากลับไปบ้านมันอยากจะเอาของเอาต้นไม้กลับไปหรือว่าอาจจะอยากจะเก็บภาพเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นความทรงจำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความใฝ่เสพนะ เพียงแต่ว่าจะเสพทางไหนแต่ถ้าฉันทะาเนี่ยมันอยากทำนะอยากทำให้มันดีอยากทำให้เกิดความดีงามขึ้นนะกับสิ่งนั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมชาติผู้คนสิ่งของงานการหรือตัวเองฉันถ้าก็ว่าเราปลูกฉันทามีขึ้นเนี่ยนะ ก็เท่ากับว่าเราก็จะมีพื้นฐานที่เข้มแข็งมั่นคงในการปฏิบัติธรรมในเรื่องฉันทาก็เรื่องสำคัญนะผู้เจ้าอย่างตัดว่าเนี่ยททั้งปวงเนี่ยมีฉันท์เป็นมูลนะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็ตาม